อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยแล้วค่ะในรายการธรรมารับอรุณซึ่งส่งกระจายเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เราเริ่มเปิดสถานีตอนตีห นะคะแล้วก็รายการนี้ของเราก็จะมีเสนอตอนตี5้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี้ค่ะออกอากาศด้วยขนาดคลื่นทั้ง AM และ FM จากภาคกลางกรุงเทพมหานครนะค ะ, ะถ้าภาคกลางเราก็รับฟังที่คลื่น FM 92.5 มเมกะเฮิร์ a อ8มแปดร้อยเกาสิบอ็ดกิโฮสำหรับท่านผู้ฟังในส่วนต่างจังหวัดค่ะซึ่งถ้าหากจะรับฟังโดยตรงจากกรุงเทพก็เปลี่ยนคลื่นไปเป็น a อ8 9แปด z ้อยเก้าสิบเอดกิลฮนะคะแลวก็รายการของเรานี้นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนต่างจังหวัดก็รับสัญญาณดิฉันคิดว่ามากกว่า มากกว่า100สถานีนะนะคะที่ว่ารับสัญญาณตรงจากกรุงเทพมหานครดังนั้นท่านที่เป็นแฟนรายการก็จะได้รับฟังธรรมะดีๆเป็นมงคลต่อชีวิตในทุกๆเช้า ตอนตีหถึงตี5ครึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์กลางเดือนเมษายนแล้วนะคะยังอยู่ในช่วงของวันหยุดชดเช่อวันหยุดมหาสงกราณประจำปี2555ของเราอยู่ค่ะวันนี้เป็นวันแรม9้าค่ำเดือน5 ปีมาโรงนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอุดหนุก็คงจะทราบกันดีและค่ะว่าดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไยบูลอภิปิโนท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเกรน ตามพุทธประณะหรือพุทธโอตของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบน้ำมการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเชิญปานสาธุเจ้าขาเช้าวันนี้อย่างที่เราสัญญากับท่านผู้ฟังเมื่อเช้าเมื่อวานนะเจ้าค่ะว่าจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาว่า องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคโดมของเรานั้นเนี่ยได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้อย่างไรบ้างเนื่องจากว่าในช่วงนี้นี่วัน13วันที่13เมษายนก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ mm hmm. เมื่อวานนี้14นะเจ้าคะ่ะก็เป็นวันครอบครัวอ่วันนี้ก็เป็น นี่ก็เป็นวันสงกรานละเริ่มเที่ยวเริ่มอะไรกันอะไรต่างๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็คงจะต้องนำมาฟังกันว่าในทุกๆช่วงวันหยุดอย่างนี้แล้วก็ทางรัฐบาลเองก็กำหนดให้เป็นเอ่อหมายถึงทางราชการก็กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุเป็นวันครอบครัวเมื่อช้าเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงหน้าที่ที่บุตร หรือว่าผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามมีหน้าที่อย่างไรที่จะตอบแทนพระคุณของท่านอ่าแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อท่านอยากขออ่า กราบน้ำระสการพระอาจารย์ไพบุตอพี่ปุโ น, โนได้เมตตาที่จะสากระฉาต่อเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาสรุปที่เราคุยกันเมื่อวาน น, นี้เจ่หน้าที่เจ้าค่ะหน้าที่กี่ประการก่อนแล้วก็คุยกันต่อนะเจ้าคะเิญ อ, อนมเจ้าค่ะก็เราได้พูดถึงหนะ้าที่ที่เราต้องมีแก่บรรดาบิดาหรือว่าบุคคลที่เราที่เขาดูแลเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่สมัยเด็กๆเกนี่ยนะเจาเออพูดถึงหนะ้าที่5ประการพระเจ้าพูดถึงว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบ อันนี้ไม่ได้จํากัดอายุเลยนะคุณ ค, คุณจะต้องเลี้ยงดูท่านในต่างะที่ควรแบ่งปันทรัพย์ใช้จ่ายตรงนี้อันนี้สําคัญมากอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่านําทํากิจการงานของท่า น, นาจะเป็นทําความสะอาดบ้านทําซื้ออาหารให้กินหรือว่างานกา ร, รอะไรต่างๆที่วุ่นวานรับผิดชอบเราก็ดูแลให้ดีทําเองก็ได้ให้คนอื่นทําก็ได้แต่ต้องมป็นคนจัดให้ทําด้วยอั น, น, นที่สามก็คืออนนันที่สามที่สี่มาด้วยกัน น, นผู้ดํารงวงศุลแล้วก็รู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาท อันนี้เป็นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความที่เรามีวุตติภาวะนะเป็นการแสดงออกที่ให้ท่านรู้สึกว่าเราสบายใจ่ให้ท่านสบายใจว่าเราสามารถดูแลชีวิตของเราได้เรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมทตัวเป็นทาญาติที่ดีแล้วก็อันที่5ก็ถ้าท่านทําการละตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทําทักษิณาทานอุทิศให้แก่ท่าน ทีนี้ว่าทําสําหรับบงคลที่พ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุของเราไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําบุญอุทิศให้ท่านแต่บางที่เมืองไทยก็จะมีว่าไปวัดเสร็จแล้วก็ทําบุญให้พระเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้มนาบิดาตรงนี้เราก็ทํากันอยู่เป็นประจำแล้วในช่วงนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทําครั้งเดียวนะเจ้าคะเมื่อท่านสิ้นกาะละหรือว่าสิน้นสิ้นบุญไปแต่ว่ายมคิดว่าสิ่งที่เราควรทํามากที่สุดก็คื อ, อนึก อธิษฐานจิตแล้วก็แผ่กุศลเหล่านี้ไปจนตลอดชีวิตเราทุกครั้งที่เราทำบุญถูกไหมเจ้าคะถูกต้อ ง, องทีนี้ตรงนี้พระเจ้าไม่ได้กำหนดว่าต้องทำที่ห่างเท่าไหร่นะ<จ>มาคิดว่าก็ทำได้ตลอดเรื่อยๆนะเพราะว่าการระลึกถึง คุณของมารดาบิดาและเป็นสิ่งที่ดีนะซึ่งในสมัยนี้เขาก็นิยมทํากันปีละครั้งหรือจะทํามากกว่าก็ได้นะจะเป็นวันที่ท่านท่านเสียชีวิตนะ่ะก็ทำวันหนึง่งนะวันที่เขานิยมทํากันอย่างช่วงเมษาก็ทําครั้งหนึง่งนะวันเกิดของท่านก็ทํำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือว่าจะรวบยอดกันยังไงก็อยู่ที่ว่าความสามัคคีในครอบครัวนั้นตัดสินกันยังไงเท่านั้นเองอืมนเะจ้าค่ะทีนี้นี่คือเรื่องของหน้าที่ที่เราต้องมีถ้าคุณทําหน้าที่อย่างนี้แล้วนะครอบครัวคุณอยู่เป็นสุข นะครับกลัวคุณจะไม่มีปัญหาไม่เป็นภัยซึ่งกันและกันนะบรดาบิดาจะไม่เป็นภัยกับเราไม่ดูด่าว่าเรานะเราก็จะไม่เป็นภัยกับบรดาไม่เป็นภัร้ายต้นหนักใจนนะแล้วการตอบแทนอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการตอบแทนเด้วยซ้านะการ <Okay. S 1> ตอบแทนเนี่ยต้องให้ท่านตั้งอยู่ในศีลนะให้ท่านตั้งอยู่มีศรัทธาให้ท่านมีจาระะให้ท่านมีปัญญา นะสี่คุณธรรมนี้ทําไมถึงต้องมี4คุณธรรมนี้นะักบุญชาบอกว่า4ี่คุณธรรมเนี่ยจะเป็นความสุขในพบต่อๆไปในสัมประยปเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ฝั่งแล้วเป็นไวยไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยมันมันไม่รู้จะพึ่งอะไรคุณเนใจดึกเหรป้าจุา๊ค่ะเงินทองทรัพย์สินข้าวของสมบัติเนี่ยคุณดูคนคนอายุ60 70อะ่ะคุณแค่ป่วยไปโรงพยาบาลครั้งเดียวนะขอแค่คนอายุ6 0สิเนี่ยเขาป่วยไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งหนักๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้ละ ไอ้ ย, ยาเราจะเป็นยังไงนาะเวลา<ะ>ที่เราจะตายไปจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็มันมันจะเริ่มมันจะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะฉันจะฉันจะนจ ะ, จ, ะจัดการกับจิตฉันยังไงดีฉันจะวางยังไงดีฉันจะมีที่พึ่งอะไรดีเขาจะกังวลถ้าเขามีที่พึ่งเขาจะไม่กลัวแต่ถ้าเขาไม่มีที่พึ่งเขาจะกังวล พือที่ พ, พ, พึ่งทางใจใช่คพูพเจ้าเคยเปรียบเทียบกับไอ้ภูเขาเนี่ยคุณเตือนใจภูเขาย่งใหญ่เลยเนี่ยพอเวลาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเนี่ยเงาของพระอาทิตย์เนี่ยจะทอดไปยาวมากเลยภูเขาน ะ, ะเช่นเดียวกันนะกรรมชั่วหรือกรรมดีที่บุคคล น, นั้นก็ทำมาเนี่ยมันจะทอดไปนะเตือนเราตอนที่เราไม้ใกล้ฝัง เพราะนั้นถ้าเขาทำบุญทำกุศลสร้างบุญส้นกุศล็นคนดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะหรือว่าวัยกลางคนเขาเป็นคนดีมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกังวลเขาจะมีที่พึ่งอยู่แล้วโจค่ะแต่ถ้าเขายังไม่มีโอเขาจะเริ่มกังวลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทำยังไงถึงจะตอบแทนบุญคุณท่านได้ถ้าท่านมีหรือไม่มีก็ตามให้ท่านมียิ่งขึ้นถ้าท่านมีแล้วทําให้มันยิ่งขึ้นถ้าท่านยังไม่มีทําให้มีโจค่ะคือเรื่องของศรัทธา เรื่องของศีลจาคะปัญญาสีอย่างนี้สำคัญมากนันจ ะ, ะเป็นที่พึ่งในใ น, ในยามที่ไม่ใกล้ฝังชูค่ะก็เรียกว่า เ, เมื่อเราสามารถนอกจากจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่และท่านผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามาแล้วนะเจ้าคะนอกจากทางโลกแล้วก็คือให้ทรัพย์สินเงินทองอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยยังจะต้องให้ให้ศีล ที่แนะทางนำท่านไปในทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนไว้ด้วยนะเจ้าค่ะทางนี้ก็เพื่อให้ท่านนั้นเนี่ยได้มีความสบายใจมีที่พึ่งทางใจแล้วถ้าหากจะจากโลกนี้ไปก็คงจะไปอย่างสงบเพราะรู้ว่าท่านจะไปในทางที่ถูกที่ควรถูกหมเจ้าค่ะเป็นที่พึ่งในสัมบริยาพพระชาวังั้นาค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้หน้าที่ของเราที่ทำนะมีสียอย่างทีนี้บางคนแบบว่าพ่อแม่ที่พูดยากเหลือเกิน นะให้ไปปฏิบัติธรรมให้ไปตั้งอยู่ในศีลให้ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไปไ ม, ไม่ไม่ทำไม่สนอย่างเงี้ยนะเค่ะคือเราต้องมีกุศโลบายนะเราจะไปโกรธเราจะไปว่าท่านอย่างเงี้ย เ, เราไม่ควรทำ หรือว่าถ้าทำาไม่ดีเนี่ยถ้าท่านทำไม่ดีท่านพูดแยกเป็นคนขี้บ่นจู้จี้ต้องถามว่าคุณทำคุณทำหน้าที่คุณคร บ, บหรือยังเป็นผู้ ด, ดำรงโมงสกุลไหมปฏิบัติตนเป็นทายาทไหมทำกิจการงานของท่านไหมถ้าคุณทำตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้พวกที่ว่าพ่อแม่ขี้บ่นจู้จี้คอยบ่นให้เราอย่างเงี้ยจะไม่เป็นแตท่านจะไม่เป็นทุกข์จะไม่เป็นภัยกับเรา ทีนี้ถ้าบางทีท่านพูดยากเลยการที่จะไปปฏิปธรรมให้ไปอยู่ตั้งังสื่อในศีลหรือว่ามารู้จักปัญญาเนี่ยโอ้ปัญญาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเเราต้องมีกุศลบายไงบางทีต้องมีกุศลบายในการชวนแล้วถามว่าตัวคุณเองอ่ะคุณนี่จะชวนเขาอ่ะคุณเป็นหรือยังแล้วคุณมีศรัทธาไหมคุณมีศีลคุณมีจาระคุณมีปัญญาไหมถ้าคุณมีคุณจะชวนได้ถ้าคุณไม่มีมันก็ยาก เจ้าค่ะคนชวนยังไม่เป็นเลยคุณคนะเจ้าค่ะตัวเองยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะดังนั้นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนใชนะใช ส, สมมุดนะเจ้าค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะเจ้าค่ะยมขอย้าําเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชักนําลูกมาซะมากกว่า อ, อย่างที่โยมไปไปฏิบัติธรรมล่าสุดที่วัดป่าดอนไหายโศกนี่ก็จะเห็นมีคุณแม่พาลูกสาวมาอายุแค่ยังไม่ถึงสิบขวบเลยนะเจ้าค่ะก้าวขว้าขวบน่ารักมากมาแบบปฏิบัติ ทุกครั้งครบรอบอมีแต่รอบสุดท้ายที่สามทุ่มครึ่งอาจจะหลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตื่นขึ้นมากราบทุกครั้งเ <laughs> จ้าค่ะน่ารักมากแล้วก็เด็กผู้ชายก็น่ารักมากอมพอพอเปิดว่าจะถามว่ า, าใครพามาบอกคุณพ่อคุณแม่ส่งมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะคือก็อันนี้เนี่ยโยมคิดว่าเหมือนกับเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะที่จะสั่งสอนแล้วก็อบรมลูกตั้งแต่เล็กๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆนะเจ้าคะใช่คือว่าตัวตัวพ่อแม่ของท่านเนี่ย ทำก่อนนะแล้วก็ชักชวนลูกที่ยังเล็กอยู่ให้มาทีนี้ถ้าตัวเราทำก่อนแล้วพ่อแม่เรายัางไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็ชักชวนพ่อแม่ของเราให้มานะมาแล้วมันก็จะค่อยดีขึ้นเราค่อยค่อ ย, อยแก้ไขไปอะไรก็เตอทีนี้ประเด็นที่จะต้องพูดเกันถึงตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าครอบครัวเราเยังไม่มีความสุขนะเราต้องมาดูที่หน้าที่ของเรานะที่ที่ทำให้ถูกต้องไหมแตนะ่ถ้าเรายังเป็น คือถ้าเราเป็นคนที่มีลูกเราก็ต้องปฏิบัติต่อลูกของเราตามหน้าที่ของเราคือเมื่อสักครู่เมื่อวานนี้รวมถึงเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเรื่องของต่อพ่อแม่ของเราเจ้าค่ะแล้วเราจะต้องทํำยังไงที่ในเรื่องของครอบครัวซึ่งวันนี้ก็เป็นว <ön glaub> <ain> ันครอบครัวด <f yeast> ้วยช่วงนี้เนาะเจ้าค่ะเป็นทั้งวันครอบครัววันผู้สูงอายุวันสงกรานต์อะรวมอยู่ในช่วงเดียวกันหมดเลยเจ้าค่ะมันก็จึงคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่เราจะพูดถึงเรื่องครอบครัวคือพ่อแม่ลูกในเรื่องของลูกลูกหลานเดี๋ยวนี้ เราจะต้องมีหน้าที่กับลูกหลานของเราเหมือนกันนะคือพ่อแม่คนที่สูงอายุแล้วเนี่ยนะคือลูกหลานเราต้องปฏิบัติกับเราอย่างที่ได้พูดไปทีนี้ตัวคุณล่ะคุณที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคุณจะไปฏิบัติกับลูกหลานของคุณยังไงอันนี้ผจ้ชาก็สอนไหม ค, คืออันดับแรกเนี่ยห้ามเสียจากบาปนะแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีสองอย่างอย่างที่1คือห้ามเสียจากบาปอย่างที่สองคือให้ตั้งอยู่ในความดีนะคือให้บอกสอนให้รู้จักเขาอะไรเป็นบาปนะอะไรไม่ควรทํา เพราะว่เราผ่านโรคมาก่อนนคนจีนก็จะมีคําสอนองี้ว่าเปู่ย่ายตายายพ่อแม่เนี่ยกินกินเกลือมากกว่าเธอกินข้าวอืเจ้าค่ะก็คือท่านลําบากมามากกว่า <c oughs> คือหมายความว่าปริมาณจุกไหมเจ้าคะปริมาณเกลือที่ท่านรับประทานในชีวิตของท่านทั้งหมดเนี่ยรวบรวมกันแล้วเนี่ยยังมากกว่าปริมาณข้าวที่เธอเพิ่งกินมาเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะอย่างอย่างมาดาบิดาใช้ชีวิตมาหกสปีแล้วลูกเพิ่งใช้มาสิบห้าปีอย่างเงี้ยเจ้หรือสาสิบปีอย่างเงี้ยปริมาณข้าวที่ ลูกกิน30สปีเนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณเกลือที่พ่อแม่กินมาหกสปีลักษณะ น, น, นี้นะจู่ค่ะจึงเป็นสัมนวนที่ชาวจีนเขาพูดกันว่าเออฉันมีประสบการณ์มากกว่านะก็ในเมื่อคุณมีประสบการณ์มากกว่าคุณรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมคุณต้องสอนเขาจู่ค่ะต้องสอนให้เขาห้ามเสียจากบาปสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีนีในกระบวนการการสอนนี่าบางทีเราต้องใช้ไม้พูดดีๆบ้างนักนะพุทธเจ้าก็เหมือนกัน พ, พระองค์เนี่ยสอนสาวกเนี่ย บางทีก็สอนอย่างละมุมละม่อมนะบางทีก็สอนอย่าง เ, าเรียกว่าขนาดแข็งนะใช้ลงโทษหรือบางทีก็ใช้สองวิธีรวมกันนะถ้าสอนไม่ได้ทำไงฆ่าเลยนี่พระเจ้าบอกวิธีที่ละมุมละม่อมทำยังไงนะก็พูดถึงเรื่องดีๆนะว่ า, าลูกให้ทาดีสิ่งดีทำอย่างนี้นะให้ทำนะนี่วิธีดีนะ อ, อันนี้สอของการทำดีเป็นอย่างนี้นะนะบอกลูกอย่างนี้นี่คือละมุมละม่อม นะวิธีวิธีหนักในะวิธีที่ไม้แข็งก็คือพูดถึงข้อข้อเขาเรียกว่าโทษของความไม่ดีหนถ้าทําไม่ดีนะโทษจะเป็นอย่างนี้นะเธอต้องระวังอย่างนี้นะแล้ววิธีที่สามคือสองอย่างรวมกันเนี่ยก็คื อ, อใช้วิธี2วิธีรวมกันแต่บางทีใช้ไม้อ่อนบ้างบางทีใช้ไม้แข็งบ้างต้องมีเจนะทีนี้ว่ า, าที่บอกถึงถ้ า, อาสอนไม่ได้ก็ค่าทิา้งเสียเนี่ย ในในคําสอนผู้เช่าก็คือว่าไม่สนใจแล้วไม่สอนไม่พูดไม่ไม่ไม่บอกสอนเขานนี่คือลักษณะของเวลาผู้เช่าสอนแต่หน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยยังไงก็สอนแต่ผู้เช่าไม่ได้บอกว่าให้เธอเลิกสอนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะไปเลิกสอนลูกเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ผู้เช่าบอกไว้นะแต่ว่าให้สอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบุญคุณที่พ่อแม่ทํา มีต่อามากนี่ต่อให้เราสอนยากขนาดไหนหนาขนาดไหนซนขนาดไหนดื้อขนาดไหนเกเรขนาดไหนพ่อแม่ก็ยังต้องสอนนะห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีสองอย่างนี้2 อ, อย่างแรกเจย่างถัดมา ก, ก็คือให้ศึกษาสีละบัดวิทยา ต, ต้องส่งไปเรียนหนังสือ ส่งไปโรงเรียนหรือว่าให้สอนคือบางทีมันไม่มีระบบโรงเรียนหรือว่าคุณไม่มีเงินพอที่จะส่งไประบบโรงเรียนใช่ไหมน้อยคุณต้องสอนวิธีการทํากินให้เขาสอนให้เขามีความขยันให้เขามีความอดทนให้เขามีความต่อสู้ค<ช>ือบางทีพ่อแม่บางคนไม่มีเงินส่งลูกไปโรงเรียนใช่ไหมรหรือไปโรงเรียนแค่ระดับที่ บ, งบังคับเท่านั้นเองก็ต้องสอนให้ลูกทากินพ่อแม่ทําอะไรก็สอนลูกแม่ทําอย่างนี้นะขายของงนี้นะลูกาพาไปขายของด้วยก็นี่ก็เรียกว่าสอนศิลปะวิทยาละ คือคือตรงนี้ผู้เช่าพูด ร, มรวมๆเพราะว่าบางทีกรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็รวยมาสามารถส่งไปในโรงเรียนที่เป็นระบบการเรียนการสอนสอนพิเศษตอนเช้าตอนค่ำได้แต่บางคนไม่มีเงินก็แค่ไปเรียนเฉพาะภาพบังคับอย่างเงี้ยบางคนจนมากๆ <c oughs> เลยโอกาสที่จะไปโรงเรียนก็แทบจะไม่มีต้องมาช่วยหากินถมาหากินอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่กรรมของคนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องทำํำ <c oughs> ใ ห, <c oughs> ให้ให้ศึกษาศิลปะวิทยาซึ่งตรงนี้ก็ระบุไปก้านๆไม่ได้ลงรายละเอียดว่าต้องเป็นระบบภาพบังคับหรือเป็นยังไงเราก็พูดกว้างๆลักษณะนี้ อันที่สนะี่นั่นก็คือว่าให้มีคู่ครองตามสมควรนะคําว่าคู่ครองตามสมควรนี้ก็หมายความว่าบุคคลที่หามาให้ต้องเป็นคนมีศีลนะต้องเป็นคนที่มีจาคะมีศรัทธามีปัญญาแตนะต้องมีสี่คุณสมบัตินี้แตนะ่ถึงจะเรียกว่าเป็นคู่ครองที่เหมาะสมคู่ครองที่สมควรอนะคือแบาชาคู่ให้ว่าองนั้นเถ่ะในสมัยนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าลูกอับไปหามาเอง แต่ว่าลูกเออลูกไปหาเองเนี่ยบางทีมันต้องต้องให้พ่อแม่ดูก่อนนะเจ้าค่ะคุณจะแต่งงานคุณจะมีคู่อะไรเนี่ยถ้าไม่บอกพ่อแม่คุณจะแต่งงานยังไงก็ต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยนี่ก็ไปไม่ได้นะบางทีบางคู่อย่างเงี้ยแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มก็ไปยากนะเจพราะฉะนั้นก็ต้องคอยปรึกษาท่านคุณอาจจะหาม่เองก็ได้แต่ยังไงก็ต้องได้รับการอนุมัติจากพ่อแม่อยู่ดีซึ่งพ่อแม่ก็จะต้องดูคุณสมบัติต่างๆด้วยเจ้าค่ะก็ตรงนี้เพราะว่ามันนต้องอยู่ร่วมกันเนยกา ถึงแม้คุณบอกว่าเออก็อยู่คนละบ้านอยู่ดีฉันก็ไม่แยกครอบครัวออกมายังน้อยปีนึงมันก็ต้องเจอกันอ่ะใช่ไหมน ม, มันจะเป็นยากกันถ้ามันถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทําตามที่เจ้าบอกตรงนี้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขาตรงนี้ยมขอแทรกนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าเอ่อการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการที่จะมาช่วยดูแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยุคสมัยนี้นะเจ้าค่ะจะเป็นโลกาพิวัตรแหละก็จะไปอาจจะรักชอบการข้ามประเทศอะไร ถ้ า, าศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะเจ้าคะแต่อยไรก็ตามเนี่ยโยมก็คิดว่าบรรดาน้องๆทัง้งหลายเนี่ยซึ่งยังไม่มีครอบครัวนะเจ้าคะก็น่าจะต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะท่านมีประสบการณ์เขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนว่าอย่างนั้นะดังนั้นท่านก็จะดูออกว่าคนคนนี้ดีหรือไม่ดีจริงใจกับลูกไห ม, ม, มแล้วก็ เพราะความห่วงของท่านว่าถ้าเผื่อแต่งงานไปกับคนคนนี้ถ้าไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตจะเสียไปทั้งชีวิตถูกไหมเจ้าคะอันนี้พวกเราเองหมายถึงน้องๆที่กำลังเลือกคู่อยู่นั้นเนี่ยก็คงจะต้องฟัง บิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตักเตือนตรงนี้ด้วยคือต้องฟังเหตุผลของท่านด้วยถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องแล้วเราโยมยังนึกเลยว่าถ้าเปล้อน้องๆฟังคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทําให้ท่านชื่นใจแล้วท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเออลูกฟังเรานะบางทีอะไรที่ขัดกันก็อาจจะอ่อนลงนะเจ้าคะถ้าเราพยายามอธิบายชี้แจงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ อ, อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ว่ารู้จักดํารงวงศุลเงีย่ย พี่ว่าโดยพ้ตนตเป็นทายาทในเรื่องของดูเรื่องของศีลเรื่องจากคะปัญญาศรัทธาของบุคคล น, นั้นที่จะมาเป็นคู่เจ้าค่ะทีนี้ว่าบางทีเราก็ดูตามความเหมาะสมเนาะในเรื่องนี้บางบางคนสมัยใหม่ก็ จ, จะไม่แต่งงานอย่างเงี้ยถ้าไม่แต่งงานก็ก็ไม่เป็นไรทีนี้ว่าคือถ้าคุณไม่สามารถหาคนที่มีศรัทธามีจาระะมีปัญญามีศีลได้เนี่ยก็ก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ แต่ถ้ า, าจะแต่งก็ต้องหาคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็แล้วกันจุ๊ค่ะทีนี้อันดับที่5้าหน้าที่ของพ่อแม่ในที่ต้องทําต่อลูกในถ้าลูกเรายัางเล็กอยู่นะเรายัางเป็นพ่อแม่ที่อยู่ในวัยกลางคนนะเราก็ต้องทําหน้าที่ที่ว่ามอบมรดกให้ตามเวลาอันนี้ที่ห้านะมอบมรดกให้ตามเวลานี่หมายความว่าไงนะมรดกในที่นี้เนี่ยไม่ได้ว่าเป็นสิ่งเป็นของนะสิ่งของด้วยก็อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นมรดกที่เป็นคุณธรรมเราต้องรู้จักสอนลูกแนะบางคนอย่างเนี้ย พระเจ้ามีกัลยาณวัตรอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานนี้พูดถึงกัลยาณวัตรครอปฏิบัติที่พระเจ้ามอบให้ลูกของแต่ละท่านแต่ละท่านคือตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นพระราชาเป็นบริษัทอยู่มามอบกัลยาณวัตรคือเป็นมรดกให้พระราชาองค์ต่อไปนะให้ลูกของตัวเองในการที่จะปกครองประเทศเนี่ยเป็นยังไงเพราะอย่างบางคนอย่างเงี้ยไม่ได้มีเงินมากในครอบครัวแต่พ่อแม่เนี่ยก็มอบมรดกให้ อาจะเป็นของชิ้นเล็กชอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งที่ท่านเป็นใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตนะเช่นความอดทนเช่นความขยันขันแข็งนะเช่นความไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากอย่างเงี้ยมันมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเลยที่พ่อแม่อย่างคนอีสานเนี่ยนะคุณยมตือนใจเวลาสมัยก่อนเนี่ยเขาไปรบอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คือสมัยก่อนหรือรูปภาพก็ยังไม่มีคนที่จะไปรบเนี่ยเขาก็จะไปตัดตีน ตีนสิ้นก็เรียกว่าพ้าถุงของแม่ใช่ไหมไปตัดตรงปลายพ้าถุงมานิดนึงแล้วเราไปเก็บไว้เพื่อระลึกถึงมานาบิดาเอาติดตัวไปด้วยใช่ติดตัวไปด้วยแล้วก็เรียกว่าตีนสิ้นติดตัวไปด้วยปลายพ้าถงเนี่ยตัดไปนิดหนึ่งสัประมาณสองคูณสามเซนติเมตรเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงมารนาบิดาระลึกถึงคนที่บ้านแล้วบางคนไปเป็นทหารอย่างเงี้ยช่วงรบสมัยสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามอย่างเงี้ยนะเขาเอาตีนสิ้นเนี่ยใส่ไว้ในหมวกนะเพื่อที่จะให้มานาบิดาคุ้มครองเขา อืมเ mm, จ้าค่ะ อ, นนอันนี้ถือเป็นเรื่องที่คนไทยเรานั้นเนี่ยถือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหมือนพระพรหมเหมือนเป็นพระประจำบ้านเรา ừ ừ, จ้ะค่ะ ừ, ừ, เหมือนเป็นปุกปักรักษาเรานะเจ้าค่ะแล้วก็เวลาที่เรานึกถึงบรรดาบิด า, างไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอนะนึกถึงคนที่ดีที่นี้ว่าอันเนี้ยคือมรดกที่ท่านมอบให้มอบตินสิ้นมาให้เป็นตน้นนะมอบปลายชายป้าถุงมาให้เป็นต้นนะทีะนี้เพื่อให้ระลึกถึงบุญคุณของท่านเราทําจิตอย่างนี้เราก็ไปสู่ที่ดีได้ อนี้มรดกตรงนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างเลยนะคือบางคนเออมอบข้าวมาให้คำหนึ่งํามือหนึ่งอย่างเงี้ยมอบข้าวถุงหนึ่งให้เป็นมรดกนาะลูกไม่เข้าใจเอาข้าวถุงหนึ่งนี้ไปหุงกินหมดเลยลนึกว่าเป็นขอ ง, เ ป, ของเป็นของดีเป็นของแบบเครื่องรางของขลังกินก็เป็ น, นตัวถึงจะดีแต่ไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งที่ว่าข้าวถุงนึงนี้นะถ้าคุณเอาไปปลูกนะคุณจะได้เป็นกําไร อ่าเป็นรับรวยขึ้นมาได้ได้วยข้าวถุงนี้อีกมากมายมากปมายกว่าถุงหนึ่งนะเจ้าค่ะใช่คุณเอาเข้าวถุงนี้ไปปลูกเนี่ยมันออกมาได้เป็นกวนเกวียนเป็นตังตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไมบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ซึ่งตรงนี้มีนิทานอีศบหรือว่านิทานหลายๆอย่างที่บ่งบอกถึงคุณธรรมตรงนี้ซึ่งคนที่จะเข้าใจตรงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องทำตัวเป็นทายาทไงอ่าทายาทเท่านั้นรู้จักสังเกตนะถึงจะถึงจะทําได้เรื่องนี้แต่มาก็จะมีเรื่องที่จะคอยขออ่า เขเรียกว่าแบ่งปันกับท่านผู้ฟังเหมือนกันคือย่งวัดป่าดอนนายโสกอย่างเงี้ยที่ศาลาของวัดป่าดอนนโสกเนี่ยนะก็สร้างมาตั้งตั้งหลายสิบปีแล้วเป็นยี่สิบปีแล้วนะเราพอมาถึงเนี่ยเรามาถึงใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องการที่จะอทําให้มันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะมาโดยใช้ศาลาแล้วเราก็มีความคิดว่าโอ้ศาลาตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ต้องเปลี่ยนตรงนั้นต้องเคาะตรงนี้ต้องปลูกตรงนี้ใหม่ทําอะไรใหม่เราคิดไปคิดมาเราคิด่โอ้ตายละทําไมความคิดของเราเป็นอย่างนี้ นั่นคือครูบาอาจารย์ท่านคือไม่ว่าอาตมาจะขอทําอะไรเนี่ยนะหลวงพ่อก็จะบอกโอ้ยอย่าพิ่งทําเลยไม่ให้ทําหรอกอย่าพิ่งทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแเราก็มาคิ ด, ค, ดคิดดูว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อถึงไม่ให้ทําเลยนะเพราะอะไรเพราะอะไรในั้นที่มันก็เหมาะสมคิดไปคิดมาแล้วว่าโอ้เออคือครูบาอาจารย์ท่านเนี่ย พ่อแม่ของเราหรือครูบาอาจารย์งเราอย่างเงี้ยนะเปรียบเส ม, มือนพ่อแม่ของเราเนี่ยนะ <จ uk S 1> ก็ได้ไ ด, ได้ทําไว้ดีแล้วแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นด้วยวัสดุอุปกรณ์สมัยนั้นด้วยการออกแบบสมัยนั้นช่างสมัยนั้นเนี่ยแบบที่ท่านทำเนี่ยดีที่สุดแล้วคือถ้าเราจะไปเปลี่ยนไปทุบ ต, ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนไม่เห็นมะระดกนะเราไม่รู้คุณค่าหรอกว่าท่านทํามายากลําบากขนาดไหนท่านใช้ความอดทนขนาดไหนท่านใช้ความมุมาหน้าขนาดไหนในการที่ทําสําเร็จออกมาแล้วเราไปทุบอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันมันไม่ถูกต้อง เ ข, ข้าใจเนาะเพราะฉั้นเราเราจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ไม่ปฏิบัติตนเป็นทายาทแต่ท่านมอบบัลลมาให้แล้วเนี่ยในการที่เอาสิ่งนี้มาใช้เนี่ยแล้วเรากับไม่ปฏิบัติตนเป็นทายาทเนี่ยอุยเราเราเป็นคนไม่ดีจุกค่ะเพราะเราคิดได้อย่างนี้ระบวกเราก็ไม่ทำนะใช้อย่างเท่าที่มีเงินสันโดษนั้นตามมีตามได้มีอะไก็เป็นอย่างนั้นก็ก็อย่างที่ออกมาอย่างนี้มันก็เป็นไปได้นะดีด้วยจค่ะะ แล้วถ้าเราจะสร้างอะไรใหมก่ก็ก็ไปสร้างเพิ่มเติมเข้าไปอื ม, ม, มแล้วก็อนุ ร, รักษ์ของเก่าไว้นะ้าะใช่ใช่เจ้ค่ะทุเจ้าค่ะคืออย่างไงคืออย่างที่เคยพูดไปนะ่ะบางคนมีที่ดินอย่างเงี้ยนะไม่รู้จักมูลค่าของที่ดินตัดต้นไม้หมดขายกินหมดเอาที่ดินขายกินอย่างเงี้ยเอาเป็นเงินมาแหมที่ดินเนี่ยนะกุญแจลงมาอย่างพ่อแม่ปู่ย่าในชาวชนบทอย่างเงี้ยเขาทําทํานายอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ทําทุกปีนะ เขาก็ทําที่เดิมทุกปีนะได้ข้าวกินทุกปีนะเลี้ยง ค, คนมาเป็นหลายๆยี่สบสาสิบรุ่นมาแล้วแล้วก็ ท, กที่ดินแปลงนี้นะพื้น ท, ที่ที่เดียที่เดียวนี้แหละทํามาแต่เราขายกินอย่างเงี้ยสมมติเราขายไล่หนึ่งสองสามานหรือหลายร้านอย่างเงี้ยคุณขายเอาเงินกี่ล้านอาสมมติคุณได้ล้านหนึ่งสิบล้านก็ได้ได้สิบล้านนี่กินไม่กี่ปีนะหมดเจ้าค่ะแต่คุณปลูกข้าวปลูกอาหารใส่กินทําได้ทุกปีหลายร้อยปีก็ไม่หมดอื <ๆ S 2> เขาก็มองไปถึงลูกหลานด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่า พ่อแม่คุณเป็นพ่อแม่คุณให้มรดกเนี่ยลูกคุณรู้จักรับไหมรู้จักคุณค่าไหมปฏิบัติตนเป็นทายาได้ไหมอันนี้มันมันจะสอดคล้องกันตรงนี้ค่ณค่ะเพราะฉะนั้นในครอบครัวคุณเดินใจเราจะรักษาความเป็นครอบครัวได้นี่นะระชจ้าก็จะพูดถึงเรื่องทิศ ท, ทั้งหก เราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกนะเราอยู่ในสถานะไหนถ้าเรามีลูกแล้วเราต้องเป็นหน้าที่พ่อแม่ด้วยถ้าเรายังเป็นลูกอยู่พ่อแม่เรายังไม่ตายเราก็เป็นหน้าที่ลูกด้วยคุณทําหน้าที่ทั้งสองฝ่ายอาทิตนั้นของคุณเนี่ยจะไม่เป็นภัยลูกของเราเองลูกของเราจะไม่เป็นภัยจะไม่มาคอยกวนใจเดีนะ๋ยวเดี๋ยวลุงเงก้ยโทรมาละลูกคุณอยู่ฝ่ายปกครองนะไม่เป็นอย่างนั้นเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวแม่ก็โทรมากวนละนะลูกแม่อายุ90ยังโทรมากวนลูกอายุหกสิอยู่องเก็จะไม่เป็นอย่างนั้น เราก็จะเป็นผู้ที่เป็นมีความเกษมทิศนั้นจะไม่มีภัยกล่าวเจ้าคะ่ะทั้งหทิศนี้พระจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไปบุญได้เมตตาย้ำให้ท่านผู้ฟังทังบ้านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะว่าทั้งหทิศนั้นมีมีทิศใดบ้างเ<อ>จ้คาค่ะที่โน่นเจ้าค่ะทั้งหทิศเลยนี่ก็มีอาทิตย์เบื้องหน้าคือมารนาบิดาอาทิตย์เบื้องขวานี่คือครูอาจารย์นะทิศเบื้องหลังนะคือมานาสามีกับภรรยา ทิศเบื<จ>้องหลังแต่ปะเั็นถ้าเรามีสามีภรรยาในครอบครัวด้วยเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วย<จ>แล้วก็ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายนนันทิศเบื้องล่างนี่ก็คือพวกท้าทกรรมกรลูกน้องพวกนี้<ต>นนทุใจบังคับบัญชานใช่ทิศเบื้องบนนี่ก็คือสมณพราหมณ์แถ้าเรารักษาทิศ ท, ทั้งหของเราได้ครอบครัวของเราก็จะสมบูรณ์คือไม่ใช่แค่ครอบครัวอย่างเดียวใ น, นชีวิตของเราในทุกๆด้านหน้าที่การงานนะผัวเมียลูกเต้าพ่อแม่เพื่อนฝูง ในครูบาอาจารย์ลูกน้องวันหน้าสมบูรณ์หมดเจ้าค่ะด้วยลักษณะงนี้ชีวิตเราก็จะสงบร่มเย็นนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะทีนี้ว่าเวลาที่เราจะรักษาทิศอย่างเงี้ยทิศที่สําคัญจริงๆรกทิศนี่มันสําคัญทั้งหมดนะแต่ที่แต่ที่เราจะเจอบ่อยๆเนี่ยคือพ่อแม่ลูกแล้วก็สามีภรรยาเจ้าค่ ะ, ะคิดว่าในสดาห์ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของสามีภรรยาก็ได้ดีเจ้าค่ะ ทั้งทั้งเดือนนี้เราอาจจะคุยเรื่องนี้นะเจ้าคะ่ะเพราะว่าดเดือนนี้มันเป็นเดือนครอบครัวเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาที่จะจะเห็นว่าพระองค์ทรงละเอียดมากเลยคือชี้หมดทุกทิศเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเราท่านท่านทรงสอนตรัสสอนไว้หมดเลยนะเจ้าคะ่ะใช่ใช่จุเจ้าคะ่ะ เหลือเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนิดเดเจ้าค่ะขอกราบน้ำสการพระอาจารย์ไพบูลได้สากัญฉาฝากท้ายเป็นข้อคิดก่อนพบกันในสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะสำหรับสักัญชาเจ้าค่ะนิหมดเจ้าค่ะพรุทธเาพูดถึงว่าคนที่สามารถรักษาทิศนี้ได้เนี่ยเป็นผู้นําได้เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะรักษาครอบครัวที่ตัวเองเนี่ยให้สมบูรณ์พร้อมเนี่ยคนแบบนี้เป็นคนที่ควรจะเป็นผู้นําจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องหวั่นไหวในอันตรายใดๆในเป็นคนที่ไม่มีช่องโบเป็นคนมีปัญญา คนแบบนี้ควรได้รับการบูชาสาธุเจ้จาค่ะท่านผู้ฟังคะ ดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมรับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจํานั้นเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าท่านฟังทุกเช้าที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปรีกเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหสุกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นเนี่ยจิตใจของท่านจะสงบขึ้นเยอะแล้ว แล้วก็จะพบแนวทางที่ทำให้ตัวท่านเองนั้น สงเพี่ยงจริงๆค่ะและถ้ามีบุญแล้วก็อยากจะทําตามที่พระอาจารย์ภับุญอภิปุโนโดได้เมตตาสั่งสอนกันมาโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่เราจะต้องตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้มีบุญคุณของเราในการที่จะชี้ทางทำให้ท่านในกรณีที่ว่าท่านอายุมากแล้วแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้มาทางทางธรรมนี้เรียนคิดว่าเป็นแง่คิดที่ดีแล้วก็ เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะดิฉันก็หวังใจว่ารายการดีๆเช่นนี้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นสถานีวิทยุแห่งชาตินั้นจะให้คุณประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความสงบร่มเย็นให้ความสุขที่แท้จริงแก่ท่านได้นะคะวันนี้คงจะต้องกล่าบนมัสการขอบพระคุณและกล่าบนามาสการลาพระอาจาราย์ไพบุตรอุพีปูนโรเพียงแค่นี้ดิฉันจะกลับมาพบ ก, กับท่านผู้ฟังใหม่ในสาวอาทิตย์หน้านะคะสําหรับ ท่านที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ที่16ท่านก็จะมาพูดคุยให้ธรรมะดีๆเหมือนเช่นเคยคะ<ช>่ะสําหรับเช้าวันนี้กราบนะมัสการล า, า, านเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเติมบอนสาธุเจ้าค่ะ